อห ล, ยย ล, ลับชัวทตาฝ้ายมันตัวเป็นตาเตือขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำประรากันจา้าหลังจากที่ท่านมหาเสนาพดีและกลุ่มเพื่อนๆชากรคำหมังเวทฝึกภาคสนามกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนก็ไม่รอช้าเลยเรียบงุงนาเดินทางไปหาหน้าของเพื่อนในกลุ่มเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาคำหมังเวชในทันที แล้มาทั้งหมดได้พบกันแล้วเน่นาของเพื่อนเขาจะพาท่านมหาเสนนาบดีและกลุ่มเพื่อนเพื่อนของท่านเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะทำให้ทุกคนได้พบประสบเจอกับสิ่งลี้ลับเนื้อธรรมชาติที่ทุกคนกำลังตามหาคุณจะรู้ว่าเป็นยังไงนะ ก็รู้ว่าสยยาสร์สู้ศาสตร์แห่งความใสไม่ได้เนี่ยศาสตร์แห่งความใสก็ต้องหยุดใจภายในเนี่ยเซึ่งในระหว่างที่หน้าของเพื่อนในกลุ่มกำลังพาทุกคนเดินทางยังสถานที่แห่งนั้นสมาชิกทุกคนในกลุ่มเฉลิมกําหมังเวแต่ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นลุนออรถึก และเกิดอาการอยากรู้อยากเห็นไปทุกอย่างก้าวเลยทีเดียวและเมื่อท่านมหาเสนาบดีและกลรมเพื่อนๆเนฉาะกอคำหม่งเวศเดินตามมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกคนก็พบว่าสถานที่แห่งนั้นที่แท้จริงแล้วก็คือบ้านของผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งถ้าโดยจากลักษณะภายนอกแล้วเนี่ย ผู้ใหญ่บ้านท่นนี้ก็ไม่ได้ดูแตกตางอะไรกับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ในความธรรมดาที่เราเห็นจากครอบรักภายนอกนั้นกลับแฝงไว้ด้วยความไม่ธรรมดายู่ภายในที่พูดแบบนี้ก็เป็นเพราะผู้ใหญ่บ้านที่นี้เนี่ยที่คืออาจารย์คาหมังเวชที่เป็นทั้งหมอยาแล้วก็ มีวิชายอยู่ยงคงกรบพันนั่นเองนี่เนาะแม้นเวลานั้นอ่ะภายในบ้านของหูวใหญ่บ้านท่านนี้จะมีพวกชาวบ้านมารอรักษาการเปิดยไข้กันอยนหลายคนก็ตามกลาลังเนื้อชอบลังยาเนาะแต่พอถ้ามหาเสนาบดีและกลุ่ ม, มเพื่อนๆชาวกข้าขขมเวทไปถึงโพวก์ทานก็ไม่รอชรีบก้าวกข้าไปเผชิญหนะ้า แล้วก็จบตามอาจารย์คำบางเวบดังฟิง้งพร้อมกับแสดงความตั้งใจและความปรารถนาอยากที่จะรู้ว่าพิชานี่อยู่ยงคงกระพันและวิชาหนังเหนียวที่เขา ล, ำล่ำเลยกันนะมันเป็นอย่างไรแล้วมันจะทำให้หนังเหนียวจริงอย่างที่เขา ล, ำล่ำเลอกันมหมยรือ oh. จ, จริงหรือ ที่ผิวหนังคนจะมีภูมิต้านทาน <Yeah. S 1> <laughs> อต้ า, านทานเหนียวแน่นในขณะที่ของมีคมนั่งแข็งนั่งคมเนี่ยเนาะ <Yeah. S 1> ไม่อาจผ่านได้เนี่ยเออสะท้อนกลับนี่เนะ <Yeah. S 1> นี่โอ้โหยึดโครงสร้างของกล้ามเนื้อหรือผิวหนังได้นน่นขนาด น, นั้นเลยค oh. มไม่อาจเข้าได้ oh. จริงหรือ ใจกับเมืองเวทเห็นสีหน้าท่าทางแล้วแบบกลุ่มทหารหน่มชะกันเต็ไมไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคือเห็นใจเลยเดียวเพราะต้องออกไปสู้รบตอนเป็นทหารมันก็ต้องเจออาวุธทำอย่างไรอาวุธข้าศึกจะทำอันตรายตัวไม่ได้ก็ต้องมาศึกษาวิชาประเภท น, นี้นี่นะ ทั้งยังจ้องมองตอนเองด้วยสายตาที่เป็นประกาศวิฟฟิปับ ว, ๆวๆนี่ <laughs> ถึงข น, นาดอาจารย์กำลังเวกับพลังเกิดนึกสนุกขึ้นมาทันที <laughs> นี่นะเจอสายตาหนุ่มจาการวิฟฟิบวับหแล้วอาจารย์กำลังเวก็ได้พูดสวน <laughs> ไปตำนองว่าถ้าพระเจ้าอยากจะเห็นวิชาอยู่ยงคงกระพันแล้วก็พระเจ้าจะต้องไปทำบางสิ่งบางอย่าง อะเป็นข้อแรกปเปลี่ยนกันก่อนซึ่งข้อตาร้างที่ว่านั้นคือให้ท่านมหาเสนาบดีและกลุ่มเพื่อนทหารหนุ่มชะกันไปเก็บสมุนไพรตามที่บอกมาให้ได้สกอรซึ่งถ้าได้จนครบแล้วก็ให้รีบกลับมาเจอกันที่นี่อีกครั้งนี่เนอะจรรยรีบกลับเลย สึ่งทันทีที่ตาหมาเยนาบดีและเพื่อนเพือนท่านได้ฟังหนึงนั้นทุกคนก็เกิดอาการอ l ล e r g i c เรียกว่าอยู่ไม่ติดรีบเดินทางไปหาสมุนไพรหรือว่านประหลาดประหลาดปลาปลาตามออเดอร์หรือตามรายการที่จางคำบังเวทได้บอกเอาไว้ในบัตรนั้นเลยนะจ๊ะอืมเนี่ยมีว่านประกอบด้วยเนาะ ที่เก่งจริงๆนี่ไม่ต้องมีประเภทอย่างเงี้ยเก่งที่เดียว <c oughs> <c oughs> และไปท่านมหาเสนาพอดีและเพื่อนเพื่อนของท่านหาว่านหรือสมุนไพรตามที่อาจารย์กำลังเวทได้บอกไว้จนครบแล้วถ้าและเพนเพื่อนกันท่านกรรีบนําสมุนไพร์กลับมาให้อาจารย์กำลังเวช ตามที่ได้นัดหมายกันเอาไว้เลยจะน้าจย์กระหมังเวทก็ไม่รอ <c oughs> เลยปฏิบัติการขันน้นเยาว์ใจทันทีการหลับตาลายเวทพอเพียงแล้วก็เอาว่านเลาดเลสส ม, มุนรณ์ไปไหาไม่ได้เคี้ยวกั้ไปในปากเคี้ยวได้สักครู่ก็พ่นพรวดใส่กระหม่อม แล้วบริเวณลำตัวทห า, าเสนาบดีและกลุ่มเพื่อนาหารหนุ่มจากการเหล่านั้นในตอนทีมันก็มีหลายวิธีการนะจ๊ะแต่ก็เก่งจริงเนอะอทีให้นั่งตรงหัวบันไดนอพอลไล่เวสเสร็จก็ยันตกบันไดไปเลยแล้วเอาหอกพุ่งตามไปเลย oh. <laughs> แต่เรื่องนี้นี่เป็นควาสมสามารถส่วนตัวอย่าไปร้องนแล้วบาที่อาจารย์เก่งๆเนี่ยจะจะในละมิดให้มองไปเห็นเป็นสะเป็นบอ่อเนี่ยนะแล้วก็มีหอกดาบแหลมเหลาโผล่ขึ้นมาแลา้วก็ผู้ที่ไปเรียนอะไรต่างๆก็จะมองเห็นไปตามอย่างเงน้นนะ แล้กจารย์ก็จะสั่งโดดลงไปเลยถ้าใครใจถึงก็ผ่านแต่ถ้าใครใจไม่ถึงก็ต้องเอาไว้คราวต่ตอไปเลื่อนไปก่อนนี้เนอพะพอโดดลงไปปุ๊บโอ้แม้ว่าจะมหาเสน่นะอ๋อมันก็เป็นน้ำธรรมดางไง <c oughs> ผมแล้วก็เกยก็บอกเลยแม้ว่าทมารเสนาบดีแล้วเพื่อนๆท่านจะเดินลองไอ้ฝอยอย่างน้ำมนบ้านประหลาดแต่เพื่อนๆเราจะปากมามากันนั่นก็ตามแต่ทุกคนก็ไม่เด็ดแสดงการอรรังเกียรตอย่างใดตรงข้ามทุกคนกลับยิ่งสนใจจับจ้องดูลีลาการรายเวศเสกษาขอจังกำมองเวชยงตาให้กระพริบ แล้วเกิดการอยากรู้อยากเห็นมากจริงๆไปกว่าเดิมอีกปจกาจา์กำบังเวจะทำอะไรต่อไปอในระหว่างที่กำลังร่ายมอญจา์กำบังเวจก็ได้เอาสมุนไพรหรือว่านปรารถอีกสามสี่อย่ง <c oughs> างก็ะปาเคี้ยวต่อไปอีกแล้วก็ทำแบบเดิมพ่นพรวดกมาติด ส, สารแล้ก็หมอมนั่นมาสิน้มพดี <c oughs> และเพื่อเพื่อนนั่นอีก อาจารย์มังเวยได้ทำอย่างนี้ซ้าๆจนกระทั่งสมุนไพรหรือว่านทีเก็บมาหมดกเ็เรียงไม่เหลือหลอเลยแม้แต่ใบเดียวซึ่งหลังจากที่สมุนไพรหรือว่าประหลาดเหล่านั้นหมดลงอาจารย์มังเวยก็ได้บอกกับท่านมหาเสนาพดีและกลุ่มเพื่อนทาหารท่านในตํานองที่ว่าอา่ถ้าใครอยากเริ่ว่าวิชาคงกระพันจะเป็นอย่างไร ก็ให้เอามีดหรือดาบมาลองฟันกันดูมันจะมีคงกระพันและขววิชาชาตรีซึ่งเขาจะเรียกละมักจะได้ยิงว่าคงกระพันชาตรีนี่เนาะคงกระพันนี่ไม่เข้าแต่เจ็บแล้วก็มีร่งองรอยถ้ามีชาตรีด้วยไม่ใช่ละครชาตรีนะ อืมไม่มีร่องรอยเลยที่ก็เก่งๆขนาดนั้นเลยเหมือนภ้าปัดๆนี่แต่ก็จะมีเคล็ดวิชามีอะไรต่อะไรสารพัดต้องไปถามนั่นมหาเสนาบดีเองอยากเรู้ว่าวิชาของพันเป็นอย่างไรใัรเอามีดหรือดาบมาลองฟันกันดู พอจะมาเสนาบดีไ <t> ด <un subdiv ision> <anya> <him> ้ยินฉ okay. ันนั้นก็ไม่รอใ่ไหมฮะรีบรองวิชากันชักดาบไปเลยอ๋อเพื่อจะลองฟันตัวเองดูก่อนพอเห็นครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกไงเนี่ยเห็นคมดาบแล้ว จักไม่แน่ใจเพราะท่านยังไม่ปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซนต์แบบชัๆวๆนะว่ามอนใจใจเขาบองังเวทไรมาจะทำให้หนังท่านเนียวมีภูมิต้านไม่อันเหนียวแน่นจนฟันไม่เข้า <laughs> มันก็หยองนะ <laughs> แต่อย่างไรก็ตามท่นก็พิสูจน์แบบกันเหนียว <laughs> อ่านี่ <laughs> คือเผื่อไว้ด้วยความรอบคอก <laughs> คือถ้าหากไม่เหนียวจริงก็จะ <laughs> <laughs> <laughs> น้อยหน่อย เ, ออเจ็บไม่หนักนัก <laughs> <laughs> ฉันมหาเสานาบดีจริงได้เอาดาบของท่านฟันลงไปที่ตัว ของท่านเองแต่แบบเบาๆนี่เอแคชื้นๆงี้ก่อนทดสอบทุกคนผิวหนังไม่ผูมต่านทานไหมอย่าพิ่งห้าวนะนี่แต่ในนั้นเองก็มีเรื่องดีตามไปทุกคนเกิดอาการตลึงและอัศจรรย์ใจเพราะไม่ว่าดาบอันคมกริบและฟันบานไปที่ผิวหนังท่านหมาเสนาบดีกี่ครั้งก็ตาม คือค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ดาบนั้นก็ไม่อาจที่จะทำให้ผิวหนังของท่านมหาเสนาบดีเกิดอาการาระคายหรือเกิดบาดแผลแม้แต่นิดเดียว oh. ซึ่งภาพที่ทุกคนได้เห็นกันแบบเจ๋จ่านี้ก็ได้สร้างความตื่นเต้งและความมือหา่าให้กับท่านมหาเสนาบดีและกลุ่มเพื่อนทหารที่มาด้วยกันเป็นอย่างมาก ถึงมากที่สุดว่านี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเมื่อเพื่อตาท่านมาเสนาบดีเห็นว่ามอนองอาจาย์ขะมังเวทได้ผลจริงชั่วแต่ละคนยังไม่รอช้ารีบลงมือเลยทดสอบความเดี๋ยวผิวหนังตามท่านมหาเสนาบดีทันทีในการผลัดกันฟันด้วยมีดดาบคนละจับสองหับ สรับกันไปสลับกันมาอย่างเมามัน oh. แต่ว่าไม่ว่าแต่แลรากจะฟันกันอย่างไรผลสรุปมาคือ <Yeah. S 1> ไม่เข้า <Yeah. S 1> เหมือนกับท่านมหาเสนาบดีนั่นเอง oh. แต่เนื่องจากอบนิสัยงท่านมหาเสนาบดีเป็นกนได้ชอบพิสูจน์อะไรแล้ว <Yeah. S 1> ต้องทำแบบชัดชัดชัวชัวไม่มั่วนิ่มอีกทั้งเป็นการคอนเฟิร์มความเหนียวผิวหนัง เหนียวขนาดแท้แบบชัดๆหรือไม่ได้เห็นได้เองท่านมหาธีนาบดีจริงขอปฏิบัติการท้าพิสูจน์ก็เรียกความชัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยการเงื้อดาบกันมาและกับฟันตัวอย่างสุดแรงเกิดแบบไม่ยั้งอีกหลายครั้งซึ่งปรากฏว่า ว่ า, าเัมม a า a s ีได้ปฏิบัติการท้าพิสูจน์วิชาคงกระพันแบบถึงเนื้อถึงหนังได้การเงื้อดาบขึ้นมาและก็ฟันโด อ, อยังสุดแรงเกิดแบบไม่ยั้งดังชั่วนี่หนอเพื่อนๆทุกคนท่านได้อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็พากันตกตะลึงอึ้งและทึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นพระแม่ท่านมหาเสนดีจะออกแรง ฟันอย่างสุดแรงเกิดแล้วก็ตามคือตั้งแต่เกิดมาตอน น, นแรงที่สุดนี่นะสุดแรงเกิดเลยแต่เทาว่าคมดาบอันคมกริบก็ยังต้องพ่ายแพ้<อ>นี่นะต่อความเหนียวของผิวหนังของท่านมหาเสนาบดีซึ่งกระจกฤิ์ของเวทและวานของอาจารย์คาหมังเวท แลยพูกภาษาบ้านๆง่ายๆว่าฟันไม่เข้านั่นเองแต่ยังไงก็ตามผลทดสอบความเหนียวในกรลังนี้เนี่ยก็ทำให้ผิวหนังท่านเกิดมีไซเอฟเฟกหรือผลกระทบข้างเก่งตามมาคือเกิดความรู้สึกเจ็บแล้วก็มีรอยตะลอกตะลอกแดงๆเกิดขึ้นที่ผิวหนังตรงบริเวณที่ถูกฟันนั่นเอง แต่แม้จะมีสายเฟกเกิดขึ้นบนผิวหนังบ้างก็ตามแต่ถึงกระนั้นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็สร้างความฮือฮาและความระทับใจกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มชอกกอขำบางเวศ <c oughs> อย่างสุดๆไปเลยเนี่จ้า<อ>มาถึงจุดนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องราวของวิชาคงกระพันหนังเหนี้จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เนี่ยพระอาจารย์คำบางเวศจะเป็นผู้ใหญ่บ้านยังได้เปิดเผยเรื่องราวต่อไปอีกว่า ไอ้ที่เห็นกันอยู่ในตอนนี้เนะี่ยมันเป็นเพียงฤทธิ์แค่ชั้นปฐม อ, อือมนกอกจากท่านไม่ใช่จอมกรหมังเวทขันเทพเออและท่านก็นไม่ได้เชี่ยวชาญในวิชาทางด้านนี้มากนักอมัน <laughs> ไม่บอกในแต้ <laughs> แรกบอกแต่แรกเรจะไม่ต้องลองเน อ, <laughs> อย่างนี้ก็มีด้วยนะ เ, ออเพราะท่านถนัดใช้ไปในการใช้วิชาเพื่อรักษาโรคมากกว่า มากกว่าการใช้ปิชาบรสดียร์ทิลิทฟันไม่เข้ายิงไม่ออกโอ้ฟังแล้วหยองนี่นะไดโนริกังเวทกับว่านทิพันเพิังเสกคนี้จึงมีฤทธิ์อยู่ได้ไม่นานนี่คืออยู่ได้แค่วันสองวันเท่านั้นบางแห่งเขาอยู่แค่ชั่วเบาคือพอไปขับถ่ายไปจิ้งช่องก็ หาไปเลยต้องมาเป่ากันใหม่เออ้าการเข้าห้องน้ำบ่อยนี่ต้องเป่าบ่อยนี่เนาะต่าําเป็น a l ลิ t ไม่ได้อีกทังผลที่เกิดก็ยังมีไซเฟกตามอีกด้วยคือแม้ฝันไม่เก้ากว่าจริงแต่ก็ยังเกิดอาการเจ็บอยู่หรือคงกระพันแต่ยังไม่ชาตรี น, นั่นเอง ถึงจเป็นปรมาจารย์ขมังเวทตัวจริงในระดับเทพเรียกทวษแล้วแล้วก็ด้วยใจที่จะฟันแรงๆไม่เข้าแล้วก็จะไม่มีอร่อยแดงและไม่มีอาการเจ็บปวดจากการฟันเลยเหมือนภาพปัดๆทั้งเล็กของเวทยังอยู่ได้นานมากๆอีกด้วยคือสามารถมีหนังเหนียวได้นอนใีเดียวเห็น you know? นานตลอดชีพเลยทีเดียวโอ้ oh. oh, นี่นะ มีพระอาจารย์มังรูปอยู่นะมาเล่าให้คุณพร่ใหญ่ฟังต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเพราะว่าความเป็นพระกะ็มีความเจ็บเป็นของธรรมดาเหมือนกัน <laughs> นี่นะ <laughs> หมอก็พยายามผ่านะแต่ไม่เข้า ท่านก็เจ็บแต่ว่าเจ็บเพราะว่าท่านป่ว ย, วยไม่ได้เจ็บเพราะหม อ, อ, อหมอพยายามแล้วพยายามอีกก็ต้งองอ้อนวอนว่าโอ้อาจารย์หรือเรียกหลวงพ่อก็ไปทราบเลยจ้ะโปรเทริดนี่เนาะมันจะต้องผ่าก็ไปดูเนะ่ยแล้วก็ไปรักษาข้างใน อยากผ่าจริงหรื อ, อเอหนกอักกว่อีกนี่นะถ้าเอามือรูปๆจำไม่ได้ว่ามันนานแล้วถ้าลอยฟังไม่ทรบจุ่มน้ำแล้วมือแค่รูปๆตรงนั้นวนๆๆใกล้ๆถอนวิชาอยู่ในช่วงนั้นเน่ยให้ผ่าได้ช่วงแค่นั้นนี่นะแล้วอาารก็ บ, บอก ลงมือเลยลงปูสุภาท่านยิ่งกว่านี้เนี่ย oh. นี่จ้ะาสมองนี่ที่ท่านลฟยฟังเลยจ้ะพาสมอง oh. ที่โรง oh. พางงยาบาลอะไรจำไม่ได้แล้วเล่านานแล้ะ oh. ในกรุงเทพเนี่ย oh. นี่จ้ะ oh. ที่นี่ก็จะวางยาสลบวางงั้นก็ไม่สลบสักที oh. ท่านบอกไม่ต้องไปเอาหมากมาคำหนึ่งหมากที่เคี้ยวหมากกรูเลยจ้ะท่านกน เ, าเคี้ยวฝักเคี้ยวกาลังอร่อยเลย <c oughs> อร่อยหรือเ่าก็ไม่ทราบเลยจ้ะเคี้ยวเคี้ยวเคียวเสร็จท่านก็นเคี้ยวไปเรื่อยเรื่อยท่านบอกเอาพาได้เลยฮะ <c oughs> เอาจริงเลยหลวงพ่อเอาพาเถอะ ก็ลวงพ่ายังไม่สลบเนี่ยไปไล่พาเขาไปเถอะพากะโหลกะพาสมองเนี่ยหลวงพอ่อเออพาเถอะหมอ ก, กม็เมื่อยโฉวอะไร <c oughs> มันเสี่ยงนะ <c oughs> แต่ในสุดท่ายเขาบอกพระธรรมท่านรับผิดชอบทุกอย่างแล้วท่านก็นกนเคลียวหมากไปเลย ๆ, ๆหมอก็เอาก็เอาพาไปท่านก็ หมอก็คุยกันนั่นกับคุยกับหมอเนะลยเนี่ยเคี่ยวไปเลยหมอก็ผ่า ก, กะโหลกไปเลยดินถ้าท่านก็บอกว่วนี่หมอผ่าตรงนี้ใช่ไหมนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นี้ใช่ไหม อ, อันอย่างเงี้ยหมอกําลังทําอย่างนี้ใช่ไหมออหมอก็งงใหญ่เลยเอออ้าวแล้วหลวงพ่อรู้ได้ไงน้า <laughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆริงโอโโ พอเลิกผ่าเสร็จเนาะมาทั้งโรงพยาบาลเลยก็นี่จ้ะพิชาท่านหนึ่งขั้นนี้เออไปถามท่านดูสิจ้ะเมื่อบรรดาสมาชิกในกลุ่มชอกรคำบงเวทได้ฟังอาจารย์คมบางเวทบอกอย่างนั้นแต่ทุกคนตางก็หูพึ่งและเกิดอยการตาโตลูกวาวเป็นประกายกระยิบอริยับ ล้วอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากลองมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกที่ปีนี้หลวงปูส่สภาท่านร้อยเท่าไหร่เกือบร้อยเกือบร้อยี่สิบแล้วมั้งร้0ยสิบกว่าแต่จำไม่ได้นะเจ๊ะแต่ในความที่ทุกๆคนจะต้องรีบกลับไปรงเรียนทหารไปแทนเขา้าเรียนในวันถัดไปได้แย่ได้ยังทำให้กมรมฉ้กอกคำหวังเวทต้องระ ง, งับการปฏิบัติการ ขันแอดวานซเอาไว้ชั่วคราวแต่เกันทังทุกคนต่างก็มีความหวังอยู่ลึกๆว่าสักวันนึ่งเราจะต้องหาการไปพบกับปรมาจารย์คำหมังเวทให้ได้ oh. ไอหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีและกลุ่มเพื่อนเพืองท่านได้ ก, กลับมาเรียนกันตามปกติแล้วในเวลาต่อมาบรรดาครูฝึกทั้งหลายก็จะทำการคัดเลือกนักเรียน เตรียมทหารระดับหัวกะทิของหัวกะทิหรือระดับเกรดเอบวกบวกจะ ก, กลุ่มต่างๆให้มารวมกันอภูั ง, ง่ายก็คือคัดเลือกเฉพาะคนที่เป็นระดับซูเปอร์ซ่ารลยทั้าพูดภาษาวัยรุ่นยอดทิตในยุกนี้คือซุปตานะจ๊ะของทุกๆกลุ่มมารวมกันนั่นเองนี่นะจ๊ะนี่เลือกซุปตาเนาะ ซึ่งก็นแน่นอนว่าหนึ่งในนักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะต้องมีท่านมหาเสนาบดีของพวกเราวรวมอยู่ในซุปตา์เหล่านั้นด้วยเพราะท่านเป็นบุคคลถึงระดับแชมป์อบแชมป์ ม, มาโดยตลอดนี่นะหลังจากที่บรรดาครูฝึกทั้งหลายได้คับเลือกนักเรียนเตรียมทหารระดับซุบตาร์หรือซุเปตาร์ของทุกๆ ก, ก, กลุ่มมารวมกันแล้วครูฝึกก็ได้แบ่งซุปตารเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อควสะดวกและง่ายต่อการฝึก อีกทั้งครูฝึกยังได้จัดการเรียนการสอนและบทฝึกหลักสูตรพิเศษสําหรับนักเรียนเตรียมทหารระดับสุพตาเหล่านั้นอีกด้วยเพื่อทีจะสร้างหน่วยทหารระดับแนวหน้าของกองทัพที่มีความเจี่ยวชาญทางด้านการครอบทั้งบูรณาบุญให้กับนักเรียนเตรียมทหารชุดนี้โดยเฉพาะซึ่งทหารชุดพิเศษหน่วยนี้ ถือเป็นรูป of the future's hope เป็นกองกำลังแห่งความหวังในอนาคตนี่เนาะทหารหน่วยนี้จะถูกฝึกและหล่อหลอมเพื่อในอนาคตจะได้ขึ้นเป็นระดับหัวหน้าข้าราารหน่วยต่างๆในกองทัพที่จะทำหน้าที่ควบคุมกำลังพลสำคัญสำคัญและจะตั้งทำงานรับใช้ว่าที่พระราชาองค์ต่อไป ซึ่งก็คือพระราชาอรสในตอนนี้หรือพระราชาองค์ที่ออกบวชในอนาคตนัอนจะยอย่างใกล้ชิดแต่ความสื่อสารแ์จงรักภักดีชนิดที่เรียกว่ายอมตายแทนพระราชาได้เลยทีเดียวโ oh. ดวยภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่ระดับชาตินี้เองจึงทำให้นักเรียนเตรียมทหารระดับแนวหน้าหน่วยนี้จะต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก และจะตั้งเรียนวิชาทหารหลักสูตรพิเศษที่ยิ่งกว่าหลักสูตรปกติทั่วๆไปซึ่งธรรมมหาเสนาบดีก็สามารถที่จะเฟื่ฟ้นเรื่มงเรียนวิชาทหารหลักสูตรพิเศษนี้ได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มอีกด้วยเรียกได้ว่าธรรมมหาเสนาบดีคือ To อปออฟเดอะหรือสุดยอดของสุดยอด ในทหารระดับแนวหน้าทั้งหมดที่มารวมกันก็ว่าได้ดซึ่งความสุดยอดของท่านนี้ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเส้นไม่ได้อาศัยลูกฟลุกไม่ใช่ราคาคุยแต่อย่างใ ด, ดแต่ล้ว่นกิจากมันสมองฝีมือและเหนือสิ่งอื่นใดคือคุณธรรมในใจที่ไม่ธรรมดาของท่านเอง ล, ว ล, วลว้วนๆนี่นะจนี่ ซึ่งหลังจากที่นักเรียนเตรียมทหารระดับแนวหน้าหน่วยนี้ได้รับการฝึกฝนอย่างหนัหนนห ก, ก, นกชนิดโหดหินดิลระบเบิดจ <laughs> ึงทำให้มีบางครั้งที่นักเรียนระดับซูเปอร์หัวกะทิบางคนเกิดอาการถอดใจจนถึงต้องขอ say เซกูดบายกล่าวคำลาก่อน เพื่อขอถอนตัวออกไปเรียนภาคปกติตามเดิมเลยก็มีและเพื่อง่ายๆคือขอดาวเกรดหรือลดขั้นยากระดับซปเปอร์หัวกะทิไปเป็นหัวกะทิธรรมดาหนะเด็ก <c oughs> <c oughs> ก็ยังเป็นหัวกะทิอยู่ดีไม่ใช่พวกกาบ้าๆหนะึ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าว่าคำว่าท้อแท้ท้อถอยหรือไม่ไหวแล้ว ไม่่คยเกิดขึ้นในกลุ่มของท่านมหาเสนาบดีเลยเพราะในยามใดที่ทูตครูฝึกจัดหนักท่านมหาเสนาบดีก็จะคอยให้กำลังใจและผพ้กระตุน้นให้เพื่อนๆในกลุ่มเกิดความฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าหากมีใครสักคนที่มีตีท่าอาจจะไม่ไหวหรือเกิดความ อ, อ่อนแรงจนขาแทบลากท่านก็จะเข้าไปช่วยประคอง จะกับพทุกคนไปถึงจุดหมายพร้อมๆกันดังนั้นท่านจึงได้ใจเพื่อนๆทุกคนไปแบบเต็มๆคือเพื่อนๆทุกคนตาใกล้ความยอมรับระนับถือในตัวท่านชนิดที่เรียกว่าแค่ทํำยักษหน้าแล้วก็บอกว่าสู้เว้ยเพื่อนๆทุกคนก็จะสู้และเลยไปข้างหน้าอย่างชนิดถึงไหนถึงกันเลยทีเดียวนี้นะจ๊ะเจงกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนี่ ก็ได้มีข่าวซึ่งถือเป็นซุปเปอร์ฮอตนิวส์อันน่าตื่นเต้นและทึ่ใจที่แพร่สพัดกข้ไปในโรงเรียนเตรียมทหารจะทำให้เกิดความคึกคักโกราหลนไปทั่วทั้งโรงเรียนสำหรับข่าวซุปเปอร์ฮอตนิวส์นี่สร้างความคึกคักโกลาหลนให้กับเาหานักเรียนเตรียมทหารทุกคนในโรงเรียนไม่เว้นแม้แต่ท่านมหาเสนาบดีนั้นก็คือ าการเสด็จมาเยี่ยมชมการฝึกในทหารรุ่นใหม่ของพระราชาและพระราชโอรสพระราชโอรสก็คือพระราชงที่ออกโบสช์พรอ้อมด้วเหล่าเสนามหมัดและนายทหารชั้นผู้ใหญ่นั่นเองเสนาจากธรรมหาเสนาบริจารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบกับพระราชา และพระราชออรสแบบตัวจริงเสียงจริงแล้วตัวท่านเองยังรู้สึกเหมือนมีแรงกดดันแบบลึกๆที่ประตุปุดๆอยู่ในดวงใจงท่านอยู่ตลอดเวลานี่เนาะ <Wow. S 1> ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ท่านมหาเสนาบดีมีความรู้สึกเช่นนี้ท่านนี้ก็เป็นพระหนึ่งใน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ตามขบวนเสด็จมาพร้อมกับพระราชาในครั้งนี้ก็คือคุณพ่ อ, องท่านมหาเสนาบดีนั่นเองแต่นั้นในวันที่พระราชาและพระราชโอรสเสด็จมาเยี่ยมชมการฝึกของเหล่านักเรียนเตรียมทหารในครั้งนี้ตัวท่านยังมีความตั้งใจที่แสดงความสามารถให้ดียิ่งกว่าดีที่สุด เพื่อที่ตัวท่านจะได้สร้างความภาคภาคูมิใจและไม่ทำให้วงต ะ, ะกูลทมเสียชื่อเสียงเพราะตัวท่านสมมติว่าต่อยมวยสากลข้ามมหาลัยกันเนี่ยนะจ๊ะถ้าคิดว่ากำลังจะสู้ฝ่ายไม่ได้ก็เตะเลยซ <c oughs> <c oughs> อกเข่าเพื่อรักษาความภาคภาคูมิใจของวงตะกูลนี่เนาะ ไม่ถามท่านอดีตมหาเสนาบดีดูแต่ดังที่ได้กล่าว ม, มาแล้วนี่เองน่เนะท่านมหาเสนาบดีทพุทธานตอนที่ผ่านมาแลยจ้ะจึงเร่งฝึกซ้อมอย่างหนักหนวนแบบสุดๆไปเลยในไี้ว่างงานนี้ไม่ธรรมาดาจริงๆจ้ะและผู้วันที่ทุกคนอรอคอยมาถึงขบวนเสด็จนันยิ่งใหญ่ ของพระราชาและพระราชาโอรสซึ่งก็คือพระราชาที่ออกบวชเพ่ารถนี่นะจ๊ะที่ประกอบไปได้วยเหล่าเสนาหมาดและขา ร, ราชการทาหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีคุนบ้องชันมหาเสนาบดีโครมอยู่ด้วยกระเด็ดเสด็จมาถึงโรงเรียนเตรียมทหารแห่งนั้น ทันทีที่พระราชาและพระราชนรสเดจประทับนั่งที่พระที่นั่งชั้นบนสุดเพื่อ ร, รับชมการฝึกซ้อมของเหล่านักเรียนเตรียมทหารแล้วการแสดงชุดที่หนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารหลักสูระกะตรปกติก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งการแสดงชุดนี้จะแสดงถึงความเป็นระเบียบพร้อมเพรียงกันผ่านบทฝึกต่งางๆที่ได้ศึกษาเรียน ร, รู้มา ไม่ว่าจะเป็นการเดินสวนสนามการแปลแถวการตั้งแถวเรมไปถึงยุทธวิธีในการลบการจัดกระบวนทัพและการต่อสู้ต่างๆเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์พิเศษสุดของงานนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือช่วง โชว์ฝีมือของนักเรียนเตรียมทหารหลักสูตรชุดพิเศษ <Okay. S 1> ซึ่งมปทั้งการแสดงความสามารถและกาแสดงยุทธวิธีในการรอบพุ่งในรูปแบบพิเศษต่างๆ mm hmm. รวมถึงการแปรขบวนและการจัดทับแบบขั้นเทพ oh. ที่หาชมได้ยากอีกด้วย mm hmm. ซึ่งกลุมนักเรียนเตรียมทหารหลักสูตรชุดพิเศษนี้ mm hmm. ก็โชว์ฝีไม้ลายมือได้อย่างไร้ทิฏฐิเลยทีเดียว ซึ่งในขณะนั้นนักเรียนเตรียมทหารหลักสูตรชุดพิเศษซึ่งในขณะนั้นนะจ๊ะกำลังแสดงความสามารถกันแบบจัดเต็มอยู่ในเบื้องพระพักของพระราชาและพระราชาโอรสอยู่นั้นทันมาเสนาบดีก็ได้แอบมองและโฟกัสไปที่พระราชาโอรส ทรงกลังประทับนั่งอยู่บนพระที่นั่งชั้นบนสุดแบบตั้งใจไม่ใช่ไม่ตั้งใจทันทีที่ท่านมหาเสนาบดีได้เห็นพระราชโอรสจากฤยาไกลโอ้ว้าวทันมหาเสนาบดีก็เกิดความรู้สึกชื่นชมและเรื่มใสในพระราชโอรสขึ้นมาในทันที ดูเปล่งลึงอย่างตลอดเวลาอีกทั้งในทุกอริยผลพระองค์ยังทรงดูสง่างามและ <Yeah. S 1> ดูที่แต้งความศรัทธาเกินวัยเป็นอย่างมากด้วย <Yeah. S 1> และด้วยกาที่ท่านมหาเสนาบดีมีอุปนิสัยเป็นหนุ่มช่างสังเกตโดยปกติเ <Yeah. S 1> มืนเป็นทหารก็ต้องอย่างนงั้นนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ยิ่งรบกันถึงตัวนี่ซ่ <Yeah. S 1> งช่างสังเกตนะ โดยเฉพาะกับพระราชโอรสที่ท่านมนีความสนใจเป็นพิเศษแล้วท่นานจะไม่พราชในทุกรายละเอียดอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อจ ม, มาเสนาวดีได้สังเกตเลิกไปถึงสีหน้าและแววตาของพระราชโอรสแล้วเอวถือดาบกำลังสู้กันรัสังเกตไงเนาะแต่ก็เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวท่านต้องสะดุดใจ นั่นก็คือคืออะไรจ๊ะไม่ว่าบรรยากาศโดยรวมในสนามฝึกจะสร้างความตื่นเต้นหือฮาและเอาร้าใจแค่ไหนก็ตามแต่สีหน้าและแววตาของพระราชอรสถกลับยังคงดูเรียบเฉยและไม่แสดงออกถึงอาการยินดียินร้ายงี้มาบวดซะเลย ยินไลยใดๆเนี่ยกลับนิ่งสงบอรากรูปสลักนี่นะมาจนมหาเสนาประดีเห็นเช่นนั้นทัาก็ไม่มองผ่านอนกำลังต่อสู้กันไปหนึ่งอันเนาะท่านกบยิ่งพยายามค้นและมองกับไปในความรู้สึกเพื่อเห็นความหมายในแววตา โ, โหลึกซึ้งลึกซึ้ง ของพระราชอรัให้ได้จะไม่ว่าท่านมหาเสนาบดีเนี่ยจะพยายามค้นหาเท่าไหร่ก็ไร้ซึ่งคำตอบจากเหตุการณ์นี้เองอยังกลายเป็นเงื่อนปมแห่งความสงสัยที่ติดคาอยู่ในใจของท่านมหาเสนาบดีว่าไว้ทำไมความรู้สึกในดวงตาของพระราชโอรส จังดยเย็นชาเช่นนั้นคงเป็นดวงตาแช่น้ำแข็งพระราโจราทรงมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเองก็ประคบกันในน้ำแข็งเนาะเพื่อให้ตรแกาเย็นชาเนาะแต่จังไรก็ตามในตอนนี้ท่านมหาเสนาบดีกระทำได้แค่เพียงตั้งคำถามอยู่ภายในใจของท่านท่านั้นว่า วายทำไ ม, มทำไ ม, ม